ร่างกายร่างกายคนเขามัอนกาลังเืมเรนกำลังเือมไปเตือมไปมันบาารอกเาูจักตาเจักตามนเตืมไปเตือนไปัอายุหลายอายุหลายเขาเขาเอื้ว่าเขา สันพายุว่าท่านหลายไข่ไได้ป่วยบ่เอินว่าเฒ่าแต่ว่าเอินว่าไข่ว่าป่วยมีล่างกายมันเป็นไปทั้งสองอย่างนั่นแหะเป็นทั้งไข่ทั้งป่วยทั้งเฒ่านี่นแ่ะเป็นไปพร้อมๆกันเนโบเมนว่าเฒ่าแล้วชนไข่ป่วยดิมันเฒ่ามันเฒ่าไปเป็นพวกแบ ผานไป่านไปเจสีปวยหรือโบปวยขาายแก้าเทาคนเฮ้งยังหนุม่มยังสาวอยู่สมมวลเราบรอสุทธิบเห็นะ่ะแนว่ยมูนี่มันแบบผมมนปิดมันบังนี่งเด้กแต่เราก็บริเวณเดี๋ยวบริเวณคือยังค้นปรมื้นตานี่ยละมื้นตาหันมื้นเยอะหันมื้นเดี๋ยวไปเป็นเนีอื่นเนี่ยไปเป็นท่วมมวลมวลอยู่ตำหนันมวลอยู่สนีน ก็ได้เวิร์หละอันขอ ง, ขงจริงพ่วงจริงเนี่ยร่างกายกำลังเทีอมต้มฟ้าเรื่อยอันฟูอั น, อนอยุหลายเสกแนี่ยนิูุ้ติสุดส้มร่างกายเจ็บป่วยไร้ไร้เนี่ยที่เห็นะนะมันบ่มันเป็นแนวมวลหละร่างกายเนี่ยผมเป็นแนวมวนหาทางดินทางร่นแบบนี้ทงดินงทั้งพ้นสีห้ามออยู่ไส อยู่ยาอยู่ไจถึงเขาว่าเก่งว่าดีเนี่ยหาล่ะนะสิ่งหาที่แน่เขาวัดเขาว่าแน่เป็นสันตว์แต่้าอยู่วัดอยู่ว่าเนี่ยเต้ขี้ว่าไปหรอกบางที่เนี่ยมันเขาแล้วล่ะหาเตงบัวได้เลยขุดพอดผักขุดพอดรักคุดขอดขบูลไทยเจ้าเป็นวาปวนาเลยแต่เต้ขี้หาหมอ้าหมดหาหมอ คืกคามไม่สีเศร้าอยู่นี่นะมันมนเศ้าไปหาวัดได้แบบหาผู้บาอาจารย์หาพระหาวัดหานพอไพุนเห็ดน้ำม่นหัวไอเห็ดน้ำม่อนหมดหมดน้ำม่นเีเศร้ากันแล้วครอบโค้งจัย่งงัเป็นว่าให้คิดอยู่ในเรื่องเดียวถ้าไหนตายแน่แน่ว่าจะได้เนว่า คนบ่อไเนไปคิดว่าโอ้ยบัดนี้กิเศ้าแบบนั้นกิ้วเศร้าไปหาเนี่ยคู่แล้วน้ำม่อนสักทิสเนีดเลยกิ้เศ้าว่าเมนไรแต่งสัรเนี่ยคนหายที่เจริญหน้าบนร่างกายเของเขาไปเรื่อยๆเนี่ยหิจักวาแม่จีจุดมันตายเมนจิน้าม่อนเพีงก็ได้ยแต่ตายเลี้ไข่ไป็วยมากพอสมควรสมควนแต่น้าม่อนของดกิ้วเศ้าบื่อยู่แล้วไปหาพระองค์นั่น องนี่คนท่านพิธีนั่นพิธีนี่จะดกเพาะจะดกกำบัวเศร้าดอกกัญหามันหดวังหดย่ำคุดไทยหมือนอะมันมันตายเพราะคุทเจ้าว่าหายปิดใจแล้วน่าคลัวตายอยู่เรื่อยๆนี่มันถือของคนนี้มันถือความคนเราได้หรือเป่าเด็กยังอยู่กรตายรักษาอยู่กันได้กระต่ายมันหดวังมันเท่ามันพอแห้งเลยทุดช่วงเลย เอาคิดเดิไหนได้ไหนมันควรจะติสายแลยพิสัเอาอันน้มันข้นจีใดภาวนานี่นะครับซ้อมันนี้้อมือใจเดยของใจวันนี้ยึเโ็นเลยมันซ้อมไปเห็นก็ซ้อมร่มหันใจนี่ก่อนเนี่ยเนใจมันก็ยู่กับร่มหันใจนี่หละมัน่มหันใจเม็ดลใจกันนี้เลยมันตันไะนอากซ้อมร่มหันใจ ซ้อมไปซ้อมมาเราไปเห็นใจเท่านั้นแหละใจมันยิงก็รมหันใจหายซ้อมเราเห็นใจเราเด็กเพิ่งยานี่ใจใจเพิ่งใจเห็นว่ามันไปหอนบางมันเข่าเป็นตะยันมันผิดสายอีกเมื่อหลงติไปแล้วใจฟุบใจเดือดร้อนแต่ว่าขันใจเห็นเจ้าของใจเห็นใจแล้วมันเพิ่งได้ มันในเฮามร า, าวาหน้าเน้นมาหาใจนี่ลหละหลวงปู่ววันสวอยู่เรื่อยเรื่อยว่าการภาวานาเน้นการมาหาใจมัหาใจเห็นแล้วมันภาวานาเป็นลหล ะ, ะ, ะ, ะมันก็บกวยุ่าไปละใจใสไใจมันจะบอกมันยุ่งอยู่หน้าเลยแหละมันก็ยืนนําเฝ้านี่แหละมาถึงมือมือมาแต่มื่อเกิดนะอันนี้ห า, ากวบคอหากต่เน่าหักหักคอเจ้าของมีแต่ไปเร่ยนไปแอดไปแอนอยู่กับเงินกับสาวกมวน อยู่และเลยบ่งจากข่มปิศหาหาก็บอกอหาใจหายากกันสีเอาให้ดีแค่นั้นนางยูจูเนี่ยนั้นมาซ้อมร่มพันใจเจ้ของได้เพราะว่าใจมันเอยร่ำร่มพันใจอะไรซ่อมไปซ้อมมาแหละเข้าสูใจใจแล้วไปหอดวางมันติดตายแล้วมันมัดที่เพิงแด้เลยม่ดเพิงใจเลยมันป่วยมันเจ็บอยู่หลายหลายนี่ย ปูข้นทลไหลยห อ, อยู่ห้องยังติตาเงินจีเพิ่งทเลระดับเนี่กันใจมันฝึกดีแล้วมันบริเวณร้อนแมันเป็นปั๊บข้าไปเลยไปอยู่น้าใจเมื่อมันวัตถุดอกบริเวณรอนกลนไผ่เป็นไรอย่างนั้นได้ฝึกเอาแล้วมันนังยุ่งตยุ่คิดใจต้อใจแนวอื่นอย่าคิดซ้อใจว่ามันซักคิดนั่นซักจุดนี้ควมตุ้ควนเดือบร้อน ถึงมาอยู่จำนเพภาวนาแล้วมันสิโศกตาราชีดีสุี้ย่ก็ได้คุดสั่งสั่นคึดว่าใจไม่นาะผู้จิตหายใจจะฟ้องได้ผู้จิตคุดถิมมันรักหลางกายมันจะถิมได้รันสีนะเนี่ยไปคุดแต่สีเอาขันคึดแต่สีเอามันมีซอเดียวขันคุดว่าเอ้าเอาก็ได้ทิงก็ได้ก็ไดมันจะมีท่าก่อตัวสังสั่นเนี่